ต้นสาธารณผู้ถืบริษัททั้งหลายสําหรับตอนนี้เป็นตอนที่สิก็อยากจะจบเรื่องพุทธานุสติกามันฐานในตอนที่สิบนี้ทั้งนี้เพราะอะไรเพระเกรงว่าบรรดาญาโยมผู้ถือบริษัททั้งหลายจะเบือ่อแต่ก่อนที่จะจบพุทธานุสติคือความจริงเรื่องไม่จบแต่ขอหยุดพุทธานุสตินี้พูดเท่าไรก็ไม่จบ เพราความดีของพระพุทธเจ้ามาหาศาลมากยากที่จะพนาให้จบได้ <c oughs> แต่ก่อนจะพูดทั้งท้องเรื่องจริงๆก็ขอเตือนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายไว้ก่อนว่าจงอย่าลืมคิดว่าชีวิตนี้มันมีความตายเป็นอดีตแล้วก็จงอย่าคิดว่าความตายนี้จะมีมาถึงเราในเมื่อเราแก่ แล้วแก่ ม, มากโดยอยากคิดอย่างนั้นจงคิดว่าความตายอาจจะถึงเราในวันนี้ก็ได้ไวเสมอจะได้ไม่ประมาทในการทำความดีและริยการในสองจงคิดว่าก่อนจะตายขอยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับนับถือไม่สงสัยในความดีของท่านและข้อที่สาม ใช้กำลังใจตั้งใจว่าเราจะรักษาสาสินห้าบริสุทธิ์ปลองภัตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะเข้าถึงความตายมาถึงเพราอว่าสินห้าจะเป็นแดงกั้นอบายภูมิคือไม่ให้เราตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุรกายไม่เป็นไ ม, ไม่เป็นสติฉานถ้าเป็นคนก็เป็นคนดีแต่รายละเอียดเรื่องนี้เอาไว้พูดกันตอนถึงสินห้า ถ้าตั้งใจกำลังใจไว้แบบนี้บรรดาเต็มพุทธบริษัทรายการนี้เป็นรายการหนีบาปท่านจะหนีบาปอกุศลแน่นอนหนีนรกแ น, น่นอนท่านหนีบาปได้ก็หนีนรกได้คือคนจะตกนรกก็ต้องเป็นคนมีบาปขอโทษขอโทษไปกับคนเขาแล้วตอนนี้ไปก็ขอเข้าเรื่องพุทธานุสติกรรมฐาน สำหรับพุท ธ, ธานุตตรกรรมฐานวิธีการปฏิบัติบรรดาแห่งพุทธบริษัทก็พูดมาแล้วรู้สึกม า, มากพอสมควรถ้ายจะพูดไปอีกญาติโยมพุทธบริษัทจะเฝือเราะว่าการตัดสัญญาณสามรายการขั้นตน้นโดอสัญญาณนี้สาณารายการนี้มีสามขั้นขั้นหยาบขั้นคลางขั้นละเอียดดืวยการตัดจริงๆแล้วสามขั้นของสัญญาณสามรายการนี้ พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสมาธิไม่มากใช้สมาธิไม่สูงแค่ปฐมฌานก็ได้ท่านบอกว่าสมีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยจะมีสินบริสุทธิ์ฉะนั้นกําลังใจเขาบรรดาทต็มพุทธยสัตย์ก็ไม่จําเป็นต้องเคร่งเครือในสมาธิมากเกินไปทํากําลังใจให้ส บ, บายๆนี่เป็นสุขแล้วใช้ได้แล้ว ตอนนี้ไปก็อยาขอคุยกับบรรดาสาวกพองคสมเด็จพระบทิพแก้วเพื่อว่ามีคนมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมาบอกว่ามีท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งเขาว่าทานนภัยอยาอาชื่อท่านเลยแต่ชื่อชื่อระพราชาคณะนี่ไม่แน่นักชื่อน่าชื่อเดียวกัน แต่การแต่งตั้งถ้าองค์นั้นได้เลื่อนไปองค์ใหม่มาก็ใช้ชื่อนั้นถ้าไปใช้ชื่อชนกันเข้าแต่คนละองค์มันจะบาปถ้าบอกว่าจะยินท่านเทศท่านยะเทศทางสถานีวิทยุหรือว่าเทศที่ตามสลาก็ไม่ทราบแต่เขาบอกกันว่าท่านยาคุณองค์นี้ไม่ใช่อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ไม่ได้กบเกลื่อน ท่านจะคนองนี้อยู่ที่จังหวัดอื่นอันนี้ไม่ได้รกหกันโยมนะเป็นความจริงท่านบอกว่าท่านมาเทศที่จังหวัดสุพรรณบุรีแต่ว่าท่านบอกว่าการเยืินสมาธิตอน ร, มรามตะวังให้มากถ้าพลาดพลั้งไปแล้วจะกลายเป็นคนบ้าทางที่ดีจงอย่าทําเลยหรือว่าทาก็ต้องทําแต่เพียงแค่เล็กๆน้อยน้อยอย่างนี้อย่างหนึ่ง ที่อย่างหนึ่งก็มีท่านครูบาอาจารย์ท่านสูงพระเหมือนกันอัตนาจะมาได้รับบัตรของท่านท่านส่งบัตรมาให้นำบัตรที่อของท่านเป็นครูสอนหลายแห่งแล้วสอนในมหาวิทยาลัยสิด้วยเวลานั้นหลายปีแล้วไปเทศดด้วยกันในสำนักที่เขาไปเทินั้นเป็นสำนักเจริญพระกรรมฐาน ท่านเป็นคนสรุปพระธรรมเทศนาท่านบกว่าอย่าโยมพุทธบริษัทเรื่องกรรมาฐานนะอย่าไปเจริญกันเลยไม่จําเป็นเราช่วยกันสํารอกกิเลสให้หมดไปนะั่นพอแล้วพอฟังเท่านี้ธรรมาก็ตกใจการเจริญพระกรรมฐานเป็นปจัจจัยให้คนเป็นบ้านนี่ก็แปลกเหมือนกันในการสําลอด ก, กิเลสให้หมดไปแล้วจึงเจริญกรรมาฐานนี่ก็แปลกมาก เพราะการเจริญกรรมฐานนั่นแหละบรรดาเต็มพุทธบริษัทเป็นการคลายหรือส้ำรอกกิเลสให้หมดไปคือค่อยๆเคาะกิเลสไม่ใช่น้ำในขวดไม่กิเลสไม่ใช่น้ำในกระบอกได้จับแล้วก็เทพูดให้หมดไปกิเลสไม่เกาะใจและเกาะแน่นเกาะนานเกาะลึกแค่มันยากแสนยากยิงค่อยๆแค่ค่อยๆทำต้องการดับแรกต้องมีศีลบริสุทธ ในกาลในสองต้องมีจิตตั้งมั่นมั่นคงแน่นอนค่อยๆทําำในกาลในสามมีปัญญาเฉลียวฉลาดสามารถาค่อยๆตัด ก, กิเลสให้หมดไปได้ทีละน้อยะน้อยนอยที่สุดมันก็จะหมดไปเองเริ่มมาการเจริญกรรมฐานทําให้เป็นคนบ้าให้าการมีศีลบริสุทธิ์การมีจิตตั้งมั่นในสมาธิสามารถระงับอิริมได้ ด้วยการที่มีปัญญาสามารถตักกิเลส ท, ที่เป็นสมุเทเฉตประหารได้ถ้าสามรายการนี้เป็นปัจจัยเป็นคนบ้าต้องขอว่าทานอภัยอัตมาไม่ก้าวรา้ราพระผู้สูงมากนั่นคือพระพุทธเจ้าแต่ก็หาว่าการทําอย่างนี้บ้าเขาก็ต้องหาว่าพระพุทธเจ้าบ้าไปด้วยอัตมานี่ขอพูดตามเขาที่เขาคิดนะอัตมาไม่คิดพระพุทเจ้าบ้าแนา่ พอจะมาอยู่ได้เพราะอาศัยพระพุทธเจ้าก็พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์มีสมาธิตั้งมัน่นมีปัญญาเฉลิฉาหลาดมากสามารถจะตะกิเลทเส้นไปถ้าคิดว่าคนเจริญกรรมาฐานต้องบ้าทุกคนก็ต้องถือว่าบ้ า, บ, าบ้าตามพระพุทธเจ้าแต่ธมาไม่ได้คิดว่าพระพุทธเจ้าบ้าท่านพูดเท็จ คงจะคิดว่าพระพุทธเจ้าบ้ากันมั้งหรือใครบ้ากันแน่ถ้าค้าว่าคนเจริญสมาธิบ้าจริงๆเวลานี้ก็ต้องบ้ากันนับทับล้านแล้วเวลานี้คนนิยมเจริญสมาธิมากเขาว่าทานอภัยเพศคนนี้ห่มผ้าเหมือนสากยบุตรโคจตินรดไม่น่าจะคิดอย่างนั้น และก็ไม่น่าจะพูดอย่างนั้นถ้าเป็นความจริงแต่ทำไมเราสงสัยเหมือนกันวา่าพระท่านเทพจริงแนละญาติโยมชายเญิงที่มาบอกฟังผิดไปก็อาจจะเป็นได้ตอนนี้ก็มาคุยกันว่าสมาธิที่เราทําถ้าพลาดเป็นบ้าใดไหมก็ต้องตอบว่าได้ที่ต้องพลาดนะไม่จะทําดีการทําสมาธิดีเนี่ยเขารักษาโรคไข้หายบ้า คนที่มีสติฟั่นเฟือนบ้างพอสมควรพอทำสมาธิเข้าพักเดียวจะอารมณ์คัายเป็นการเยือกี่ยวเอาแต่คนนี่มีความเร่าร้อนของจิตมโมโหโธโศร้ายนี่แหละไม่ต้องมากนักเดินสมาธิจริงๆไม่ช้าประมาณเดือนเสร็จจะเห็นผลทันทีเมื่อกํากลังใจของเราเยืกอเกี่ยนไปมากความโกรธยังมีอยู่แต่มันน้อยลงไปแล้วก็ช้าลงไป ถ้าจะเรียสมาธินานเข้านานเข้าวความโกรธอาจจะไม่หมดไปแต่เหลือน้อยมีกำลังเบาอย่างนี้กาลังของเราก็มีอารมณ์เป็นสมาธิมีอารมณ์เป็นสุขก็กาลังสมาธิความสาคัญในการเจริญกรรมฐานมีตอนหนึ่งบรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ต้องระมัดระวังเหมือนกันแต่การแบบนี้จะมีขึ้นมีกำลังใจของเราดีแล้ว เมื่อความมั่นคงในศีลปรากฏชัดมั่นคงแน่และก็การไมั่นคงในสมาธิก็ดีการวิบัญญารู้เท่าทันกิเลสก็มากขึ้นมีความยึดมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์จริงอย่างนี้ถือว่าคนนั้นมีรม์ใจดิง่งจะเข้าเขตเป็นพระอรยิอรยเจ้าเบื้องตน อริยเจ้าเ้าอริยเจ้าเบงต้นก็คือระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้ามีความมั่นคงในการเคารพพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ในความจริงใจแล้วก็สามารถทรงสินบิสุดจริงมีปีติความอิ่มใจในการเจริญสมาธิและวิปัสสนาญาณใจรักผลิพานเป็นที่สุด อย่างนี้ถือว่าจะถึงหรืออาจจะถึงแลว้วก็ได้ซึ่งประโสดาบันเราจะมาไปขอ ย, อยืนยันเพราะว่าการลมแน่นๆนี่บางทีก็เป็นกําลังชันกําลังชานโลกีนี่มีลมแน่นมากนี่มีลมหนักหนักหนักแล้วก็แน่นที่เรียกว่าห น, นนหนักแน่นหนักแน่นการเคลื่อนไหวจะมีได้น้อยแต่กําลังใจเพราะใส่กระลงชานโลกีโดยเฉพาะ มีรมหนักๆอย่างนี้มั่นใจว่าชีวิตนี้ต้องตายแน่แต่ว่าไม่ฆ่าตัวตายมีความหนักแน่นในการเคารวะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หนักแน่นในการส่งสินมีปีติเป็นปกติความรู้สึกประเภทนี้เป็นความรู้สึกขขาพูดสรงชาโลกียังไว้ใจอะไรไม่ได้ถ้าพลาดหน่อยเดียวสมาธิไหลจ็อกล่นไปหมด สิ่งก็จะไหลไปง่ายปัญญาก็ไหลง่ายแต่ถ้าว่าอารมณ์ที่ทรงจริงๆแต่เป็นอารมณ์เบาๆอารมณ์ใจเยือกเ ย, ย็นสบายๆความหนักน้อยจะส่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างเป็นบริการเชื่องช้าในด้นความชั่วเนี่ยเกิดขึ้นมันการช้ามากความรักในระหว่างเพศจะเกิดก็เกิดแบบช้าๆเบา ๆ, บาๆไม่รุนแรง โมโหโท่โศใจเกิดขึ้นบ้างก็เกิดเบาๆไม่รุนแรงหายง่ายอารมณ์ฟุ้งสา้นมีเพกันแต่ก็สา้นไม่นานหันก็มาจับด้านของความดีการสงสัยในคุณความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริาายสงฆ์สงสัยในผลของศีลสงสัยในทางบันิพันธ์ไม่มีอีกแล้วอย่านี้ถือว่าเป็นอารมณ์ที่ข้ามจากโลกีวิสัย เข้าไปใกล้ความเป็นพระอริยเจ้าหรืออาจจะเป็นพระอริยเจ้าเบื้องต้นคือปโสดา บ, บานนันใน่สี่ทาคามีแล้วก็ได้พระมาก็มีความรู้เล็ดน้อยไม่คร่าพยากรณ์กําลังใจตอนนี้ระเบรรดาเทพุธุดริสัตตอนหลังนี้ไม่สําคัญสํงคัญตอนต้นตอนที่มีความหนักแน่นในความรู้สึกว่าชีวิตนี้ต้องตาย หนักแน่นมากม า, กมากในการเครรอพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์หนักแน่นในการส่งสินหนักแน่นในการคิดเวลาจะปนานิพันธ์ตอนนี้เป็นชาลโลอกีตอนนี้ประเหตุที่พระเต็มอัตตาแล้วก็จะก้กาวข้วโสโลกุตระคือจะเป็นพระอริยเจ้าตอนนี้ระาวางังบรรดาในพุทธบริษัทปีติมีก า, การเกิดมาก ความปลื้มใจเกิดมากความชุ่มชื้เกิดมากบางคนก็จะเริ่มมาทานไม่หยุดไม่ย่อนกลางคืนไม่ละกลางวันละเรียกว่ากลางวันกลางคืนก็ไม่ละกลางวันก็ไม่เว้นทําหามลุ่งห้ำค่ําไม่มีการพักผ่อนแน่นอนไม่ชาประสาทโรคประสาทก็เข้ามารบกวนในที่สุดโรคประสาทก็เกิดแล้วก็ต้องไปโรงพยาบาลรักษาคุณบา อย่างนี้ถือว่าไม่ใช่พระสมาธิทยบาทการปฏิบัติเครื่องเกินไปทํำในบาตรพระพุทธเจ้าจทรงแนะนําแล้วขอทุกคนจงจําเมื่อการจะปฏิบัติให้ได้ผลในฌานโลกีก็ดีโลกตระก็ดีจึงต้องละส่วนสดสองอย่างคือหนึ่งอัตตกินมัฐานนโยค ก, การปฏิบัติเครื่องเกินไป ไม่พักไม่ผ่อนไม่หลับ ไ, ไม่นอนตึงเกินไปอย่างนี้จะไปโรคสมรสดไม่มีผลในการปฏิบัติให้ได้ความดีคือจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าในการในสองการมมัสุขณิการในยกย่อหย่อนเกินไปและอยากได้เกินไปอย่างนี้ก็ไม่มีโอกาสได้เป็นพราะจิตโฟกังต้องใช้มัชฌิมาปฏิปทาเกล้าลงกลางกลางในเมื่อเข้าถึงจุดอารมณ์เครียดตอนนี้ก็ต้องถูกพิสูจน์ การถูพิสูจน์นี่มีน้อยคนไม่ใช่ทุกคนท่านที่จะถูวิสูจน์อย่างหนักแน่นจริงๆงหนักมากๆ ก, ก็ต้องเป็นพวกมาจากพระโพธิสัตว์หมายความว่าอาดีตเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าเป็นจอมทัพท่านที่จะเป็นจอมทัพปราบข่าศรกกิเลสต้องมีความเข้มแข็งมาก ท่านผูนี้จะถูกไปพิสูด้วยเทวดาชั้นจาตุาราชเทวดาชช้นจาตุาราชนี่เป็นเทวดาผู้ทรงชานในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านได้ฌานหนึ่งสองหรือสามในสามานเนี่ยชานใดชะหนึ่งก็ได้ทรงชานอย่างนี้แล้วถ้าเวลาจะตายดะเข้าชานตายการเข้าชานไม่ได้ไหมายว่าต้องนั่ง อาจจะนอนนรืยืนหรือเดินตอนจะแขงซ้ายจะแขงขวาทําอะไรอยู่ก็ได้ก็ตายปุบปับแต่ว่าก่อนที่จะสจะตายอันนี้จิตของเขาน้อมนึกถึงพระไตรปิาก ม, มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นเมื่อนึกถึงก็มาถายกองใดกองหนึ่งที่เขาทาอารมณ์ทรงตัวอารมณ์ทรงตัวนี่ไม่ใช่นั่งนิ่งไม่ต้องนั่งหลับตาปีไม่ใช่อย่างนั้นการทรงสมาธินี่พูดกันอย่างนี้สมาธิก็ท่งตัวได้ ชา้นก็ตั้งอยู่ได้ชั้นหนึ่งในชั้นสองนี่ยังคุณนระสบายเมื่อจําเป็นแล้วไมนั่งหลับตาปีถ้าจิตเข้าถึงชา้นสามตอนนี้จะพูดชา้าลงไปมากเพราะชันสามมีกําลังกดมากถ้าจิตทรงชา้นสี่พูดมีแต่เหตุและผลเรว่าพูดไรเหตุและผลนั้นไม่มีก็จิตสะอาดมาก จิตที่ทรงชานอยู่เนี่ยพูดได้คุยกันกได้อยากจะรู้อะไรในขณะที่คุยกับเพื่อนปากก็คุยอยู่กับเพื่อนตัวใส่จิตที่ส่วนหนึ่งสามารถไปรู้เรื่องต่างๆที่ต้องการได้อย่างนั่งคุยกันอยู่สองคนเพื่อนก็คุยว่าบ้านของฉันดีย่งั้นเมียนั่นมีนี่เรื่อประวัติความเป็นมาของฉันเปนอย่างนั้นเปนอย่างนี้ ถ้าเราอยากจะรู้จริงก็ตามเอาเอาใจเอาจิตตามเสียงปา ก, ก็พูดกับเขาตามกิจที่ต้องพูดใจเราก็อยากจะรู้ความจริงไปค้นหาคว้าหาอาดีตในความจริงที่เขาเล่ามาเราจะพบความจริงและไม่จริงจะพบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้จริงหรือโกหกอันนี้มันหลอกก็ไม่ได้ที่สำหรับการถูกลอถูกทดลอง เจาเทวดาชั้นจารตรมหาราทีระหว่างที่พูดวันนี้เป็นวันที่สิบหกธันวาคมสองพันห้ารอยิแปดเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาพระที่วัดท่าสงคือคุณเจะเชื่ยมนาจแต่มันเขอสามารถก็สามารถเป็นช่างเคยทำงานกรมศิลปากรมาก่อนแล้วก็มาปวดยู่สละบบ้าน ส, ะ, สะเรลมีลูกไม่เต้าแล้ว มีปัญญาพัญญารูปล่างหน้าตาก็ดีลูกทั้งสองคนตั้งสามคนก็ไม่ทราบเห็นสองคนทั้งหมดทั้งบ้านทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ทรงชิตทิพย์ปุญญาได้ดีมากสามารถพูดกับผีกับเทวดาคุยได้แบบสบายสบายไอชาลูกีบรรดาธรรมพุทธบริษัทอาจจะพลาดได้นะตอนต้องรมัดระวัง ให้เกิดด้วยความเต็มกําลังใจว่างานเท่านี้ขอละปัญญาสามารถเลี้ยงลูกได้ก็มาบวชกําลังใจแท่งเข้มแข็งก็ถูกพิสโ์ ต, ตลอดมาพิโสจะกําลังเทว ด, ดาเทว ด, ดาเขาจะพิโสรเราแต่เมื่อเราไม่กลัวเขาพูดอย่างนี้แล้วก็มรนดาญาจงพระตัวประศัตรที่ยังมีความกลัวอยู่ถ้ายังมีความกลัวอยู่เขาไม่มาเราเสียเวลาเขา ตคนที่มีความรู้สึกว่าไม่กลัวจริงๆแต่ท่านพวกนี้ต้องมาจากสายพุทธโคสายสาวุกภูพุมนี่เขาไม่ลองมากแต่เค้นลอามากจะเป็นบ้าไปเลยดีไม่ดีเดี๋ยวก็เลิกเพราะมีกําลังใจอ่อนถ้าเดิมมาจากพุทธโคพวกนี้มีความเข้มแข็งมากเขาต้องลองหนักเมื่อลองหนักลองแล้วก็ไม่มีอะไร อาจจะมีการหวั่นไหวบ้างเล็ก ๆ, ๆน้อยๆมีอย่างเดียวว่าใครจะชนะใคร ก, การทดลองของเขาไม่มีการสร้างําแบบถ้าเราคิดว่าเขาจะมาไม้นี้เขาไม่มาแล้วเข้ามาท่านโนนแล้วคิดว่าจะมาท่านั้นเนี่ยเขาไม่มาขห้ไม้ท่านหนึ่งเป็นอย่างนี้ถ้าบังเอิญเรากลัวเขาก็เลิกถ้ารู้สึกกลัวมีความหวาั่นมากขึ้นเขาก็เลิกไม่รบกวนต่อไป ถ้าบังเอิญเราไม่รู้จักกลัวไม่กลัวที่จริงๆเขาก็เลิกเหมือนกันทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่กล้าเล่นกับคนที่เดียกว่าเลยบาดเลยเสลิงคนที่ไม่กลัวไม่ใช่ไม่เต็มบาดในญาโยพรธบริษัทคนที่เต็มบาทดก็ยังกลัวยังหวัดวันอยถ้าไม่กลัวจริงๆเนี่ยเลยบาดอาจจะถึงหกเสลิงก็ได้เพราะทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่ากําลังใจของคน ทุกคนอาจจะสู้กันสู้กันไปสู้มาสู้เพื่อหนีพ้นจากความตายถ้าสู้กับข้าศึกไม่มีใครสู้กับข้าศึกและศัตรูสู้เพื่อให้ตัวตายอย่างนี้ไม่มีมีแต่เพียงที่ว่าการสู้กันคราวนี้เราจะต้องฆ่าข้าศึกและศัตรูให้ได้ศัตรูจะต้องตายเราจะต้องไห้ตายเขาคิดแย่อย่างนี้นี่เร้ยกว่าคนเต็มบาดถ้าคนเลยบาดคิดสู้เอาชีวิตเป็นเดิมพัน ด้วยร่างกายเมื่อตายเขาทั้งมันจะ ก, ก็ช่างมันแต่ความดีส่วนนี้ต้องเอาให้ได้ถ้าความดีส่วนนี้เอาไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ยอมเลิกเด็ขดขาดเมื่อตายก็ตามยอมพรีเรื่อรักธรรมะยิ่งกว่าชีวิตอย่างนี้เขาเรียกคนเกินบาดแต่ความจริงจะคิดว่าสองสองหกสลิงก็ไม่ถูกอาจจะถึงแปดสลิงก็สงบาทเลยก็ได้เพราะอะไรเพราะมีกําลังใจเข้มค้นมาก ฉะนั้นก็ขอเตือนบรรดาแทนพุทธบริษัทว่าการพิสูจน์ของเทวดาเขาจะพิสูจน์ต่อเมื่อเราไม่มีความกลัวและมีความเข้มข้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พิสูจน์นักจะเป็นเฉพาะพวกพุทธภูมิเท่านั้นหรือว่าเวลานี้ปฏิบัติพระปรารถนาสาวกภูมิแต่ว่าเดิมมาจากพุทธภูมิด้วยกําลังเข้มข้นอย่างนี้เขาจึงจะพิสูจน์ ถ้าเราไม่กลัวก็ต้องไปสวดกันหนักจนกว่าจะรู้สึกว่ากลัวแต่ในที่สุดเราไม่กลัวจริงๆเทวดาก็กลัวเทวดาก็เลิกหรือว่าถ้าวิสุธดแล้วเราเกิดมีความกลัวขึ้นมีความหวาดหั่นมากขึ้นเขาก็เลิกเหมือนกันรวมความเป็นขันดาญาโยมพุทธบริษัททุกท่านทราบตามความเป็นจริงว่าขมันดาท่าพุทธบริษัทชายหญิงอย่าห ว, วาดหวั่นในการวิสวดการทดลอง เพราว่าการวิสวดของเขาเพื่อสร้าบกําลังใจของเราทุกอย่างในะบรรดาญาโยมของบริษัทต้องมีการวิสวดความจริงจริงจะรู้อย่างที่เราตัดราคะคือความรักเราไปนั่งตัดในป่านี่มันก็ได้จะเป็นอะไรไปมันไม่มีอะไรในป่าไม่มีราคะให้เราคิดไม่มีราคะให้เราเห็นสมมติว่าท่านเป็นผู้ชาย ท่าจะไปนั่งวาดภาพแบบผู้หญิงแบบนั้นผู้หญิงแบบนี้สวยแบบนั้นแบบนี้ที่เราต้องการมันก็ไม่มีอะไรเกิดประโยชน์ประโยชน์มันนั่งแต่คิดเท่านั้นได้แต่คิดแต่การสัมผัสจริงๆไม่มีถ้าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่คนเดียวในปา่าคิดถึงผู้ชายรูปร่างแบบนั้นท่าทางแบบนี้มีความดีแบบนั้นมันก็ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เราจะชนะหรือเราจะแพ้มันก็ไม่แน่นัก เราคิดว่าถ้าคนแบบนั้นมาเราจะตัดด้วยรมแบบนี้การจะตัดราคาก็ไร้สยอาสุเกกรมฐ า, านสิบอย่างกับกายกตานุสติหนึ่งตัดโทสะด้วยภูมิหารสี่นี่ก็สิ้นสีมีก็สิ้นสีเหลืองสีเขียวสีขาวสีสีแดงื้อตัดโมหะด้วยนาปันตัดโมหะกับวิตกเปจริกก็ได้อนาปานุสติ เสนอพันหนุนกำลังใจในด้านศรัทธาด้วยนุสอนุสติอุปการคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติสีลานุสติจารานุสติแล้วเทวานุสติเส่อถึงความฉลาดด้วยหาเลวิจิคุญญาญาตุธาประธานสี่อรณานุสติก็ก็โอหสมานุสติที่พูดมาไม่แปรเพราะอะไรเพราะเวลามันจะหมด ถ้าเราไปนั่งนึกว่าระยะตัดแบบนั้นแบอนี้จะกรรมฐานแบบนั้นแบบนี้โดยไม่มีการไปสวดมันก็นึกได้นึกไปนึกมาเดี๋ยวก็แพ้โคมดีไม่ดีแพ้จะไม่รู้สึกตัวมันต้องมีสวดกันดังนั้นถ้าจะตัดราคาจริตความรักในระหว่างเพศหน้ามันต้องชนหน้ากับเพื่อนระหว่างเพศเพศตรงกันข้ามคนที่เราเห็นว่าสวยว่า ง, งามที่เราชอบมาปรากฏ แต่เมื่อคุเกันไปคุยกันมาอารมณ์นั้นอารมณ์ราคะไม่เกิดอย่างนี้ใช้ได้เราคิดว่าเราจตัดโทสะมันต้องไปสัมผัสกวาจาที่เขาทําเราแล้วเราเคยไม่ชอบใจเมื่อสัมผัสกัดผักจารมนั้นได้จริงๆและจิตใจสบายอย่างนี้ใช้ได้เราชนะนี่การจะริยนพระกรรมฐานก็บรรดาแต่พุทธบริษัทก็เหมือนกันบางท่านก็คิดว่าเราเป็นผู้ชนะแล้ว เราต้องการนิพพานแล้วเราเป็นผู้เลิศแล้วเวลานี้เราตายเมื่อไราปรณิพันธ์เมื่อนั้นเขาก็ต้องลองก็ต้องสอบก็ต้องไปสวดแต่การลองแลือสอบหรือไปสว์จะบอกลุ้งหน้ากันไม่ได้อย่างข้อสอบจะ อ, อให้นักเรียนสอบแลยท่านประสอบเลื่อนแ้งกตามถ้าจะสอบก็บอกว่าข้อสอบท่านจะออกแบบนั้นแบบนี้นะยเขียนมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะตำราเล่มไหนบ้าง แล้วก็วิธีตอบต้องตอบแบบนั้นแบบนี้จึงจะสอบได้อย่างนี้ใครเขาสอบไม่ตกเพื่อสอบได้หมดนี่การสอบจิตใจเขานักเจริญกรรมฐานของเทวดาของเขาเหมือนกันเทวดาจะต้องมาตามไม่ตามแนวที่เราคิดเราคิดว่าการอาจจะเกิดเจออย่างนี้เขาจะไม่มาแบบนั้นต้องหลบกันไปเพื่อเป็นการไม่สวดความจริงนี่ระบรรดาแทนพระตบใบสัทย์ชายิง การบทปิสูจของเทวดานี่ไม่เฉพาะพุทธานุสติอย่างเดียวจะเจริญกรรมาฐานอย่างใดอย่างหนึ่งก็เหมือนกันถ้ารมเข้าถึงขั้นใกล้จะเป็นพระอริยเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบรรดาท่านพุทธบดเสวยสัทชายแห่งท่านนั้นเคยปรารถนาพุทธภูมิมาก่อนจึงจะมีถ้าไม่ปรารถนาพุทธภูมิมาจะไปนั่งนึกเลเรียกก็ไม่มีมาเทวดาเขาไม่ไปสด ถ้าว่าเด็กเดินป่อแปรมาแปรไปชกกระปุชกเข้าผิดๆอาจจะหลบไปตายก็ได้ก็ต้องชิดสู่กับคนที่มีความเข้มแข็งจริงๆอริบรนดาเป็นพุทธบริษทัทชายหญิงเรื่องนี้มาเล่าสู่กันฟังเป็นการตัดท้ายพุทา ธ, ธานุสติกามฐานเพื่อเป็นการป้องกันไว้วิธีป้องกันก็คือว่าเราไม่กลัวก่อนภาวนาและพิจารณาคิดว่ามันจะตายเวลานี้ก็เชิญ ถ้าตายเวลานี้อย่างเร็วเราไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมโลกอย่งสูงสุดเราไปนิพพานอะไรจะเกิดขึ้นไงก็ตามเราไม่ยอมหบ่นไหวไม่ยอมไม่ยอมแพ้เท่านี้ก็พอแล้วอาราบินดาสาวกโกองสมเด็จพระบาททิพแก้วเวลาบอกตรงเป้งเส้นดำพอดีเมื่อเวลานี้สามสิบนาทีแล้วขอหยุดก่อนขอสาวกโกองสมเด็จพระชินวรคือพระเจ้า จนจะมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิตรพรชัยทั้งสี่ประการมีอายุวันนาสุขขพละปฏิธานหาทุกท่านเพื่อมาสงสิ่สงใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความเป็นนาทุกดง ท, ทุกประการสวัสดี